พุทธบริษัททั้งหลายณบันดนี้ถึงเวลากองการฟังปาตกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วกอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้น จากการมาวัดในวันอาทิตย์ตามสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์เราก็ถือว่าเป็นวันที่ควรมาวัดเป็นประจำรรมาตั้งแต่เริร่มเปิดวัดมาจนกระทั่งบัรนี้เกือบจะครบสี่สิบปีแล้วจะครบสี่สิบปีในเดือนพฤษภาคม ที่จะถึงเนี่ระรวัตินี่มามาอยู่ในวันที่ยีบสามพฤษปาคม2 5งนเดือนพฤษปาคมที่จะถึงนี้ก็ครบ40บปีพอดีได้ทำงานสั่งสอนญาติโยมมาเป็นเวลานานไม่ใช่น้อย ยอมที่มาฟังรำอยู่เป็นประจำก็ตายไปหลายคนแล้วอยากไปหลายคนแล้วที่ยังอยู่ก็บางคนมาไม่ไหวเพราะไม่มีรถจะมาลูกหลานไม่ค่อยเ อ, เอามาส่งก็เลยไม่ได้มาแต่ยังพอมาได้ก็ยังมากันอยู่เป็นประจำเกือบจะได้ครบสี่สิบปีวันกัน การทำอะไรทำกันอย่างถาวรก็เป็นการติดต่อสม่าเสมอตลอดไปแต่เรามาฟังทำกันในวันอาทิตย์ก็ทำกันติดต่อมาเป็นเวลานา น, านไม่ใช่น้อยสี่สิบปีพระพุทธเจ้าทรงกระทำหน้าที่สั่งสอนประชาชนเป็นเวลาสี่สิบห้าปี แล้วก็เสด็จปรินิพพานไปก็เวลาไม่ใช่น้อยผลงานที่พระองค์ทรงกระทำนั้นมากมายเหลือเกินเท่าที่บันทึกไว้ได้ก็เป็นหนังสือชุดใหญ่เป็นหนังสือชุดใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้บันทึกไว้ยอย่างเรียบร้อยในชั้นแรกก็จากันด้วยปากท่องต่อๆกันมา ต่อมาก็เห็นว่าจะท่องกันต่อไปจะไม่ไหวความจำอาจจะเลอะเลือนอาจจะผิดพลาดได้เมื่อพอสอี่ร้อยกว่าปีเจึงได้ตกลงเขียนลงในใบลานที่ประเทศลังกาเขาจะรึกลงในใบลานแล้วก็เก็บไว้เป็นต้นฉบับ จการตั้งทึกปอดทึกตรงวนันนี้แล้วมาในประเทศพระพม่า ก, ก็จะรึก ด, ด้วยอักษรพมา่ามาเมืองไทยก็จะรึก ด, ด้วยอักษรขมอักษรขอมเพราะเวลานั้นหนังสือไทยยังไม่ค่อยจะแพร่หลายใช้อักษรขอมเป็นหนังสือธรรม จานกันไห้ในใบลานมั่นโกงทาวรซืบต่อมาจนกระทั่งบัดนี้เวลานี้ก็ได้แปลออกเป็นภาษาพื้นบ้านความจริงคนในประเทศจีนเนี่ยเขาแปลพระไครเบิดกเป็นภาษาจีนก่อนใครๆเพราะว่าพระถังสัมจังหรือกว่าเหียนท่านเดินทางจากเมืองจีน ผ่านทะเลทรายผ่านภูเขาหิมาลัยผ่านความร้อนความหนาวไปจนถึงประเทศอินเดียและในการเดินทางนั้นท่านบันทึกเป็นจดหมายเหตุรายวันทุกวันหนังสือนั้นเป็นเครื่องมือศึกษาประวัติศาสตร์ดีมากฝรั่งเข้ามาอ่านแล้วก็แปลออกเป็นภาษาฝรัง่ง เรียกว่าการเดินทางของควายียนแล้วไปพักอยู่ที่นาลันธาซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยใหญ่ในสมัยนั้นมีพระโยกันตั้งเมินไปพักอยู่ที่นั่นสิบห้าปีเพื่อเรียนบาลีภาษาสันสกิตและบาลีด้วยเรียนจนมีความชำชอมเข้าใจ แล้วก็กลับเมืองจีนคนหนังสือที่เขาเขียนว่าในสมัยนั้นพากลับเมืองจีนไปมาจีนแล้วก็แปลเป็นภาษาจีนหมดทั้งคำทั้งทุกฉบับเหลือไว้จนกระทั่งทุกวันนี้เราเคยดูหนังเรื่องพระสังั장นั่นแหละประวัติกองทัพตรงนี้ แต่ว่าเขาทำเป็นหนังก็มีอะไรเติมก็ไปบ้างมีลิงบ้างมีหมูบ้างอะไรบ้างแต่ว่าความจริงก็เป็นธรรมะทั้งนั้นแสดงถึงธรรมะที่อยู่ในใจคนทั้งนั้นทำไว้อย่างเรียบร้อยแล้วก็คนชาวต่างประเทศคือคนยุโรปได้มาศึกษาพระพุทธศาสนา เขามาเรียนภาษาบาลีเรียนที่ประเทศลังกาเพราะว่าคนฝรัง่งชาวอังกฤษไมาปกครองอินเดียปกครองลังกาเขามาเขาก็สนใจศึกษาคำภีทางพุทธศาสนาเพราะมีเรื่องเกี่ยวข้องกับวัดกับพระบ่อย ท่านผู้นั้นเก่งได้ศึกษาเรื่องคำพีตทางพุทธศาสนาท่านเป็นปริญญาเอกได้เรียนภาษาสันสกิตมาก่อนแล้วก็มาเรียนบาลีที่ลังกาสามารถแปลภาษาบาลีเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ทำการแปลหมดทุกคำพีพิมพ์ออกไปยแปลให้แพร่หลายก่อนเราทำยอะอีก ฝรั่งเขาทำอะไรรวดเร็วหนังเสือกมปีตามพุทธศาสนาเขาแปลออกหมดแล้วก็พิมพ์เป็นเล่มแพร่หลายต้นฉบับภาษาบาลีเขาก็พิมพ์เหมือนกันเรียกว่าไประไกรบิดกตัวอักษรโรมันอ่านเป็นภาษาบาลีแล้วแปลภาษาบาลีเป็นภาษาอังกฤษ เป็นภาษาเยอรมันประเทศเยอรมันก็มีคำภีประไกรวิโกที่แปลจากบาลีของเขามันคงถาวอนแพร่หลายเหมือนกันก็ทำแม่ว่าเขาไม่ใจประเทศนับถือพุทธศาสนาแต่ว่ามีคนบางคนมานับถือแล้วก็พยายามเขียนพยายามอธิบาย หลักธรรมของพระพุทธเจ้าให้กวรังได้ศึกษาเข้าใจจนแพร่หลายมาจนกระทั่งทุกวันนี้อันนี้เป็นเรื่องของการศึกษาธรรมะจากคำภีพระบาลีเมืองไทยเรานั้นก็ได้เริ่มแปลมาในรัชการที่จิตแพ่เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัช ก, การที่หก ก็แปลออกมาสำเร็จเรียบร้อย <c oughs> แล้วต่อมามหาจุลาลงกรราชวิทยาลัยวัดมาธาตุ <c oughs> ก็เลยทำการแปลอีกฉบับหนึ่ง <c oughs> เรียกว่าพระไครปิฎกฉบับมหาจุลาพิมพ์ครบชุดชุดหนึ่งขายหมืน่นบาทได้แปลหลายไายในที่ต่างๆคนได้อ่านได้ศึกษา อันนี้เป็นตัวอักษรธรรมะภาษาธรรมะได้แปรหลายออกไปคนก็ได้ศึกษาทำความเข้าใจกัน้าพุทธในประเทศไทยเรานั้นไม่ได้อ่านลึกซึ้งหรอกเพราะว่ามันอยู่ในภาษาที่เราอ่านไม่ได้สมัยก่อนเขียนด้วยอักษรขมสวายบนหอไตร ตามวัดต่างๆมีหอตรยอยู่ในน้ำที่ไปสร้างหอใจในน้ำก็เพื่อไม่ให้ปลวกกินตามวสวยมีลวดมีลายมีศิลปะสวยงามเหมือนกันพระองค์เจ้าจุมพฤองมริพัฒน์ตันไปเห็นหอตรที่วัดบ้านกลิ่งจังหวัดอยุทยา อำเภอบางไผอินจังหวัดพระนครเสียอุธยาท่านพอประไทัยมากเลยแรกไปสร้างศาลาให้หลังใหญ่รื้อเอา ห, หอใจนํามาไหว้ทีวังสวนประกาศรักษาไหวอย่างดีแล้กว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ไปแต่ลงทุนตั้งขนาดนั้นรืออย่างดีไม่ให้แตกไม้เอามาสร้างใหม่ไหวเป็น ไปพิจตปันไปวังสวนประ ก, กาศไกรอยู่กรุงเทพว่างว่าไปดูวังสวนประ ก, กาศไปดูหอไตรนะั้นเมกี้เก็บหนังสือบโบราณก็ mm hmm. เรียกว่าหอไตรปิดอก mm hmm. แต่เรียกสั้นๆว่าหอไตร mm hmm. ก็คือหอสมุดนั่นเองแต่เป็นหอสมุดที่ไม่เปิดสําหรับสาธารณะเพราะคนก็อ่านไม่ค่อยได้ อ่านได้แต่พูดติบวดในศาสนาต้องเรียนอักษรขอมอักษรของไม่เป็นอักษรเก่าขอ ง, ขอ ง, ของเขมรขเขมรก็ใช่แตอว่าเป็นอักษรที่เก่าแก่ยารกธรรมวินัยคำพี์ต่างๆเขียนด้วยอักษรขอเทั้งนั้นจะเป็นบาลีก็ตามภาษาไทยก็ตามเขียนด้วยอักษรของ เราเรียกว่าเป็นหนังสือศักดิ์สิทธิ์ต่อมาได้เริ่มเปลี่ยนอักษรของมาเป็นอักษรไทยแล้วก็พิมพ์เป็นอักษรไทยสําหรับให้คนได้ศึกษาแต่คนก็ไม่ก็ได้อ่านเพราะมันชุดใหญ่เลอเกินเราไม่จําเป็นจะต้องไปอ่านชุดใหญ่อย่างนั้นแต่อ่านคําอธิบาย ที่พระสงฆ์ผู้มีความรู้ได้เขียนบรรยายไว้ในที่ต่างๆโดยเฉพาะหนังสือของท่านพุทธทาสที่เรียกว่าธรรมครูชุดธรรมครูชก็เป็นหนังสือชุดใหญ่แต่เรืยังก็แล้วมันยาวกว่าสองเมตรยาวถึงสองเมตรกองสูงก็ท่วมหัวท่านเจ้าคุณ เป็นหนังสือที่น่าอ่านน่าศึกษาอ่านแล้วจะได้รู้จักพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ถูกต้องรู้วิธีการปฏิบัติด้วยโดยเฉพาะพุทธประวัติเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะก็อ่านได้จากหนังสือขุมทรัพย์จากพระโอษฐพุทธประวัติจากพระโอษฐ เป็นเรื่องที่พระองค์เล่าเองลาไว้ในที่ต่างๆต้องเก็บรวบรวมใช้เวลานานถึงย5ส้าปีจึงเอามารวมเป็นเล่นใหญ่เป็นผู้เมือการศึกษาที่สำคัญฉันแรกก็รวบรวมได้ไม่ต่อไหนก็พิมพ์เล่มเล็กๆค่อยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น ในปี 2,500 เนี่ยเสร็จบริบูรณ์ท่านได้พูดอย่างโล่งใจว่าพอกันทีสำหรับเรื่องพระพุทธเจ้าเราเก็บมาเล่าหมดแล้วคนที่สนใจศึกษาก็เปิดอ่านวันละสองสามหน้าก็จะได้รู้จักพระพุทธเจ้าที่เป็นบุคคลที่เป็นเนื้อเป็นหนังที่เดินได้พูดได้ว่า เป็นอย่างไรเป็นเรื่องน่าศึกษาสนใจเหมือนกันแต่เรามีเวลาว่างหาหนังสือเหล่านั้นมานั่งอ่านเวลาว่างอ่านวันละช่วงโมงก็ได้ดีก็จะได้รู้จักพระพุทธเจ้ามากขึ้นเพราะท่านเล่าว่าอย่างละเอียดตั้งแต่ก่อนพ่มวงสากยะและพระองค์ประสูตร เป็นอย่างไรเล่าเล่าอย่างละเอียดบันทึกไว้หมดทุกประการจนถึงนิพพานเป็นเรื่องที่น่าศึกษาน่าสนใจชาวต่างประเทศก็อ่านประวัติพระพุทธเจ้าแล้วเขาก็มาเลื่อมใสพระพุทธศาสนากลายเป็นชาวพุทธไปเป็นจำนวนไม่ใช่น้อยเราคนไทยเกิดมาก็เป็นพุทธแล้ว เป็นพุทธโดยไม่ต้องเรียนไม่ต้องศึกษาเป็นโดยอัตโนมัติแต่ว่าปฏิบัติก็การตกบกพร่องแม่เพียงศีลห้าก็ยังไม่ค่อยจะสมมูติถามว่าศีลห้าคืออะไรก็เรียงไม่ค่อยถูกตอบไม่ถูกแสดงว่ามีความสนใจน้อย คนที่นับถือศาสนามีความสนใจอ่านคัมภีรมากที่สุดเห็นจะเป็นพวกอิสลามคนอิสลามหรือมุสลิมนี่ยเขาสนใจอ่านเพราะถ้าเรียนเรื่องศาสนาก็ต้องเรียนกัมภีรอันกุรอานซึ่งเป็นคัมภีร์หลักเขาถือว่าคำในคัมภีร์อันกุรอานนั้น ไม่ใช่คําคนพูดแต่เป็นคำของพระผู้เป็นเจ้าพูดความจริงคนพูดก็คือพระอลลา ห, า น, หา น, า น, นี่ยพระอัลลาห์นบีมูฮัมหมัดนั่นเองแต่เขายกย่องว่านาบมีมูฮัมหมัดเป็นปาฏแทนพระอัลลาห์เจ้าพูดแทนพระผูะ้เป็นเจ้าเขาเพราะความเชื่อว่าอย่างนั้น แล้วคนก็เชื่อตามนั้นอย่างมั่นคงเขาอ่านทุกวันเช้าขึ้นก็อ่านเย็นก็อ่านอ่านเป็นตำนองสนอทุกวันทุกวันคนมุสลิมนั้นอ่านกัมภีอันกรุรอานได้เป็นส่วนมากเพราะเขาก็กันการเล่าเรียนศาสนิกในศาสนาอื่นไม่ก็ได้อ่านเท่าไห ผูคริสเตียนก็ไม่ค่อยอ่านใบเบิ้ลเท่าใด น, นอกจากผู้สนใจจริงๆชากพุทธเราก็ไม่ค่อยได้อ่านพระไตรปิฎกแม้ประวัติพระพุทธเจ้าก็รู้แบบกระท่อนกระเทน่นรู้นิดรู้หน่อยไม่ค่อยจะติดต่อไม่สามารถจะบรรยายเรื่องพระพุทธเจ้าให้คนเข้าใจชัดเจนจากความ รู้สึกนึกคิดในจิตใจสแสดงว่าจิตใจยังไม่เข้าถึงองค์พระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงยึงเล่าเรื่องไม่ได้น่าละอายอยู่บ้างเหมือนกันเพียงควรสนใจศึกษาหาหนังสือมาอ่านคนแม่รู้จักพระพุทธเจ้าตามตำราแล้วเอามาพูดในลูก่อน ขณะลูกนอนอยู่บนตักแม่พอพูดรู้เรื่องแล้วก็เล่าเรื่องให้ฟังหลังอาหารก็คุยกันเรื่องพระพุทธเจ้าให้ลูกฟังคุยทุกวันทุกวันทุกวันเด็กก็จะมีจิตใจโน้มเอียงไปหาพระพุทธเจ้าจะเป็นคนรู้จักพระพุทธเจ้านึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลา จะทำอะไรเ้าก็คิดถึงพระไม่ทำตามชอบใจไม่ทำตามอารมณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าจิตนึกถึงพระอยู่ตลอดเวลาความรู้สึกกันนั้นเป็นสิ่งคอยท่วงไม่ให้ใจเราไหลไปสู่ความตกต่ำมากเกินไปนี่เป็นเรื่องเรื่องสำคัญไม่ใช่น้อย ตามบ้านควรจะมีคำภีร์เรื่องเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าไว้อ่านทุกบ้านเอามาว่าเป็นหนังซื้อหลักประจําห้องสมุดในบ้านจะได้จิบอ่านเมื่อใดก็ได้เราจะปรึกษาอะไรกับพระพุทธเจ้าก็ได้ขอคําแนะนําอะไรจากพระองค์ก็ได้เท่ากับว่าองค์พระพุทธเจ้าเป็น ที่ปรึกษาเป็นเพื่อนแท้ในชีวิตของเราเป็นผู้คอยชีย้แนะแนวทางชีวิตให้เราเข้าใจให้เราได้เดินตามแนวทางนั้นๆก็จะเป็นเด็กที่มีความมั่นคงในจิตใจเชื่อพระพุทธเจ้าถูกต้องมั่นคงเติบโตขึ้นก็จะไม่กดแกงไม่เสียผู้เสียคน เรามีความเข้าใจถูกต้องในเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าอันนี้สำคัญสมัยนี้จึงต้องฟื้นฟูเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าให้คนได้อ่านกันทั่วถึงกระมาทสได้พระเจ้าอยู่หัวท่านอ่านเรื่องชาดกท่านไม่ได้อ่านกล้าไปเทศน้ฟัง เจ้าคุณพรมมุนีวัดจะาสมเกลียกท่านไปเทศเรื่องมหาชนกในหลวงฝังท่านฟังแล้วท่านก็พอประทัไทยมากเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องดีสำหรับคนไทยเพราะเป็นเรื่องตัวอย่างที่ไม่อ่อนแอท่อแท้มีความก้าวหน้าในชีวิตยอย่างถูกต้อง แม่ไปตกอยู่ในทะเลก็ไม่ยอมอ่อนแอไหวยอยู่ในทะเลไหวเรื่อยไปจนไม่รู้ว่าฝังอยู่ไหนแต่ก็ไหวเมเทพฏิดาเื่อเมฆขลามาช่วยถามว่าท่านทำอะไรก็บอกว่าไหวน้ำไหวไปไหนอะไหวไปตะลิง่ง แล้วรู้ไหมว่าตะเิล่งมันอยู่ที่ไหนไม่รู้ต่อหมาสมุดมันกว้างใหญ่ไพศาลเหลือเกินแต่ก็ต้องไห้จนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางคำพูดคำนี้นสำคัญที่สุดคำบาลีว่าวายเมเทวะุริสุยาวัตทัสนิปตาแปลว่าเกิดเป็นคน ต้องทำความเพียรเรื่อยไปจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางม่ยังไม่ถึงจุดหมายก็จะไม่ยอมหยุดต้องไหวต่อไปจนหมดลหมหายใจหรือได้ถึงจุดหมายนายหลวงท่านชอบคำพูดคำนี่มากเลยเอามาแตกเป็นหนังสือชื่อมาชนกชาดกเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษกันแรกขายขายเล่มละหมื่นนนะมีเรียนด้วยเรียนทองมีโยมซื้อมาให้แล้วแต่ยังหาไม่พบว่ามันอยู่ตรงเล่มกระดอนนี่ไม่รู้ใครแบกออกไปแล้วว่าที่ไห น, นเล่มมันใหญ่เอาเรียนไม่เช่ด้วยต่อมาก็เล็กลงหกห้าพัน เดี๋ยนี่ทรงกระทำแบบหนังสือเล่มเป็นการ์ตูนการ์ตูนระหาชนุกเรือบินก็เอาไปไหว้ในเรือบินของพ่อนั่งเรือบินก็พบกันในเรือบินก็เลยอ่านจนตลอดอ่านจนถึงปลายทางแล้วก็เลยขอข้ามาสองเล่มเอามาไหว้ที่หอสมุดเพื่อใครอยากอ่านจะอ่านได้ เป็นหนังสือดีมากควรจะไปซื้อเอามาไหว้ให้เด็กอ่านก็เด็กชอบดูการ์ตูนการ์ตูนที่เด็กดูเป็นเรื่องไม่่อยมีสาราะรเรื่องตลกโก่โาแล้วอะไรแต่เด็กมันก็ไม่รู้จะอ่านอะไรมันก็อ่านติดการ์ตูนมันติดยาบ้าต้องอ่านตลอดเวลาถ้าเราเอาหนังสือมาจดโนกมาให้ลูกอ่านเด็กจะ จะได้คติตำเป็นเครื่องสอนใจแล้วก็ได้ศึกษาภาษาอังกฤษไปด้วยในตัวเพราะมีตั้งไทยและอังกฤษอยู่ในหน้าเดียว น, น่าใช้เขาไปเติมน้ำมันที่บริษัทเชนสามร้อยเขาก็ให้แล้วให้หนังสือนี่เป็นรางวัลแต่เดี๋ยวนี้จะหมดแล้วออยังก็ไม่รู้แต่ก็ไปชื่ยจากรา้านหนังสือทั่วไป เอามาไว้ายอ่านเป็นหนังสือเรื่องเราเรียกว่าชาดกชาดกเป็นนิธานเรื่องเกี่ยวกับอดิตชาติของพระพุทธเจ้ามีตั้งหมดห้าร้อยเลยห้าร้อยเรื่องเป็นหนังสือชุดใหญ่เป็นชุดใหญ่ห้าร้อยเรื่องแล้วก็ยังมีเขียนเพิ่มเติมในประเทศไทยอีกห้าสิบเรื่อง เาเรียกว่าปัญญาสัจจาดกแต่งครื่งที่จังหวัดภาคเหนือที่จังหวัดแพร่พระพูดแต่งเป็นคนเมืองแพร่แต่งเป็นภาษาบาลีแสดงว่าสมัยนั้นการเรียนภาษาบาลีก้าวหน้ามากขนาดแต่งหนังสือได้มีคําร้อยกรองร้อยแก้วพร้อมปัญญาสัจจาดก ห้าสิบเรื่องรวมเป็นห้าร้อยห้าสิบเรื่องก็เป็นเรื่องดีๆทั้งนะแต่ว่ามันอยู่ในรูปที่อ่านยากหน่อยแต่เรามาถอดเรื่องเหล่านั้นออกให้เป็นเรื่องอ่านง่ายใช้ภาษารัฐกลุ่มคนก็จะศึกษาเข้าใจลองมีจิตวาตการเคยทําตัวอย่างไว้เรื่อง เรียกว่าสุตสสมชาดกสุตโสมชาดกนี่เป็นเรื่องที่ช่วยเพื่อนเราเพื่อนมีจิตใจตกต่ำมากชื่อปริศาสเป็นลูกเจ้าแผ่นดินไปเรียนหนังสือจบมาจากตักกศิลาแล้วกลับมาอยู่บ้านชอบสวยเนื้อ คือแกงเนื้อเนี่ชอบมากคันวนี้วันหนึ่งเนื้อเตี๋เแรียมว่จาจะแกงมันถูกสัตว์เอาไสุนัขออกไปกินผู้จำกับก้าวก่อนเนื้อก็ตายแล้วไม่ได้แต่แกงเนื้อถวายพระราชาหัวขาดแน่เดี๋ยวส่งกลิ้วก็เลยไปที่ป่าช้าไปตัดเนื้อศพมา ชิ้นนะเอามาแกงถวายสวยแล้วพอประใยมากถาม่แกงวันนี้ดีมากแกงอะไรไม่กล้ากลาบถูกเราก็จับประขันมาเถือว่าได้มือต้องบอกฉันเดียวนี่ว่าเธอแกงอะไรไม่บอกฉันจะตัดคอเธอเลย เลยต้องบอกว่าแกงวันนี้อร่อยเพราะว่าเป็นแกงเนื้อคนอู้ทื่ไปเอามาจาัดนไปเอามาจากสุกในป่าชาที่เพิ่งตายใหม่ๆตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเธอจะต้องหาเนื้อนี้มาแกงให้ฉันกินทุกวันทุกวันโอ้อยองกันใหญ่ก็ไม่รู้จะแกงเนื้อเคยและทินี้ สบันไม่ก่อยมีไปเอาเนื้อนักโทษไปตัดเนื้อคนมาต้องไปแอบฆ่าคนวันที่สุดก็ถูกประชาชนเดินกระบวนกขับไล่พระเจ้าแผ่นดินสมัยก่อนก็มีก็เดินกับรั่วขับไล่เจเป็นดินเหมือนกันประท่วงกับไล่ว่าพระเจ้าแผ่นดินนี่กินเนื้อคน อปรีจันไรไม่ควรจะอยู่ลองเมืองกับไปแต่ไปอยู่ในปา่ปาพาพ่อครัวไปด้วยแล้วก็คอยจับคนมาแกงทุกวันทุกวันกนินทุกวันคนนี้สุดไปจับพระเจ้ากัดสัตว์จำนวนมากออกมามัดตีนห้อยไว้กี่ต้นไม้คอยค่า พระเจ้าสุตตะโสมเคยเป็นเพื่อนกับโพริสาก็ถูกจับมาด้วยแต่ว่าโพริสาให้เกียรติในตาหน้าเป็นเพื่อนไม่ต้องห้อยมัดค้อยเท้าค้อยหัวให้อยู่เฉยๆสุตตโสมก็ได้มีโอกาสคุยกับโพริสาในคำโต้ตอบที่น่าฟังมัดโต้ตอบอย่างกล้าหารชันใจ วายหนึ่งจะกินเนื้ออีกวายหนึ่งขอร้องไม่ให้กินจะต่อยคำสำนวนดีมากผลที่สุดบริษทัทก็ยอมไม่กล้าไม่กินเนื้อทอจสุดแต่งสมก็ได้ใจชนะแล้วก็มาครองบ้านครองเมืองประชาชนไม่ยอมรับปรกอกับเ้าเมืองเขาไม่ยอมรับทางขาบวนยกไปชูธง ไม่เอาไม่เอาสนุกกันใหญ่กัดก้านพระเจ้าพุทธโสมาไม่ต้องตกใจข้าพเจ้าพูดได้ท่านเลิกกินเนื้ออย่างได้คนพวกนี้ข้าพเจ้าพูดได้ฟังเดียวก็ยอมเลยออกไปก้างหน้าแล้วก็พูดจนคนเหล่านั้นโยมบริษัทก็ได้มาเป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่ในศีลในธรรมต่อไป สุดแต่สมนับว่าเป็นเพื่อนดีของโพริสัรเป็นเพื่อนที่ช่วยเพื่อนใน้พ้นอันตรายไม่ใช่เพื่อนที่นำเพื่อนไปสู่ความอาญนะหรือความตกตำ่ำเป็นตัวอย่างดีๆแต่ถ้อยคำสานวนที่พูดนั้นโอ้ยไปร้อกินใจแต่ลักคำที่พูดออกมานั้นกินใจน่าศึกษาไม่ใช่น้อย ในเรื่องดีๆอันมากมายคนไทยรู้จักมากที่สุดก็คือเรื่องเวสันดรชาดกพระเวสันดร น, นี้แต่งในรูปภาชาไทยไปรอ้อเป็นกำกาบเรียกว่ารายยาวพระมหาสมณเจ้าก ร, รมพระพยากรมพระยาปารมาโนชิชินรุ เป็นโอรสรัชการที่หนึ่งแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ก็น่าศึกษามันกันเขียนดีแต่ว่าไปในทางปฏิหารมากแล้วก็เขียนเรื่องเวสันดรชาดเกเขียนบทกวีนิพนธ์คำฉันกิจสนสอนน้องสอนน้องสาว ว่าามีญาติมีเรือนมีครอบครัวควรจะทำอย่างไรสมัยก่อนก็เอามาให้นักเรียนอ่านมอแปดอ่านหนังสือเล่มนี้กฤษณาสอนนะ้องแต่งดีอย่างเยี่ยงยิ้งชั่วไม่รู้คุณผัวไม่รัวความอายลิ้นลงคงมคำห่อหอนยำเยงชายจงจิตคิดหมายมุ่งร้ายปันดาลาอย่าง คนชั่วมีหลายอย่างเขียนไว้หละเอยดหน้าอแล้วก็แต่งหนังสืออีกเลยเรียกว่าตะเลงผ้ายมอนแพ้มอนนี่นีกาคือไทยโจมตีมอนแตกพายกระเจิงไปในสมัยพระนเรศวรมาราแล้วก็แต่งหนังสือดีๆหลายเรื่องยังแม้เป็นหนังสือที่ พวนได้อ่านกันอยู่ในปัจจุบันเรียกว่ากรมพระประมาโนจิตจิโนรถเป็นโนรถราชการที่หนึง่งอยู่วัดภูเดี๋ยวนี้ก็ท่านสอนคดไปแล้วแต่ถึงวันสวรรคตคในหลวงต้องไปประทานผ้าไกลสิบไกรในบนพระสิบลูกบังสกุล แล้วก็ยังมีพระฐานาพระครูปัญละพระครูส ม, มุพระครูวิีกาและต่า ย, ยังมีเขบรับนิจยพัดด้วยดูแลเรียกว่าฐานากันอัติของธรรมตำหนักก็รักษาไหวในวัดปู่เรียบร้อยเป็นผู้ที่มีความรู้ตางหมดประพันธ์โครงฉันกาบกรอน แต่งดีมากเก่งคนสมัยก่อนแต่งเป็นกร ค, ค, คำกรคำครูคําฉันร้อยแก้วมีน้อยสมัยนี้เขาเขียนร้อยแก้วสมัยก่อนเขียนรอยกรทำมาอย่างดีตันบวชมาจนถึงรัชกาลที่สี่เจงสวรรคตเวลารัชกาลที่สามสวรรคตนี่ เขประชุมเพระเข้าไปประชุมด้วยคือพระองค์นี้ราะว่าเป็นยาตผู้ใหญ่ของพระเจ้าแผ่นดินเป็นลูกรัชการที่หนึ่งก็เป็นลุงกองรัชการที่สองและที่สามแปล ว, ว่าเป็นผู้ใหญ่เป็นพระด้วย เพราะฉะนั้นเอาเข้าไปนั่งในที่ประชุมพิจารณาว่า ร, ราชสมบัติในควรให้แก่ใครและการที่สามท่านสวรรคตท่านไม่ได้ บ, บอกไว้ว่าให้คนนั้นเป็นเจ้าแผ่นดินต่อไปท่านเห็นการไกลกลัวจะวุ่นวายก็เลยบอกว่าอาการป่วยของข้าหนักมาก เดี๋ยววิสัยที่แพทย์จะเยียวยาคือเป็นมะเร็งนั่นเองไม่ใช่โรคอะไรโรคอะไรเดี๋ยววิสัยที่แพทย์จะเยียวยาคงจะตายในไมช่ช้าเรื่องราชสมบัติเนี่ยขอให้ท่านทั้งหลายช่วยกันคิดว่าควรจะให้แกียรติข้าเสร็จมานไกลไม่มีแล้ว เราพม่าก็ปิดเอาไปแล้วยนฝรั่งพักมเณรก็ฝรั่งเศสเอาไปแล้วไทยอยู่ตรงกลางเป็นไส้ขนมแต่มีค่าศึกไกลจะมาระวังให้ดีอย่าให้เสียตีเก๋าเป็นนันขาดสันเพียงเท่านั้นคือไม่บอกว่าให้รัฐ ก, การที่สีซึกออกมากรองราชสมบัติ เราตาพูดเจ็บนั้นก็ไม่เหมาะแตบอกว่าคิดกันดูผู้ดใดมีความรู้มีความสามารถก็ยกรจจะดับจสมบัติให้ผู้นั้นเถิดที่ประชุมตั้งพระท่านชาวบา้านการกานายตาใหผู้ใหญ่ตกลงว่าต้อ น, นีมบนพระมงเจ้าฟ้ามงกุตออกมาเป็นเจ้าแผ่นดินก็เดินไปหาที่วัดปวรณิเวศ เนมอนท่านมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินท่านก็ลาศิกามาเป็นเจ้าแผ่นดินสมัยนั้นจึงมีพระเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยแต่ว่าเกี่ยวข้องทางการบ้านการเมืองคือพระกรมพระปรามาโนจิิโนรสซึ่งเป็นลุงกองรัชการที่สี่ที่สามเป็นอย่างนั้น ต่านทำประโยชน์ไว้มากในทางวรรณคดีและทางศาสนาเมืองไทยเรานีถ้าว่าเป็นเมืองที่ร่ำรวยในทางวรรณคดีหนงังสือนังหาเรามีเยอะคนโบราณเขียนไว้ให้เราอ่านเราศึกษามีโอกาสไปประเทศลาว เขาได้มอบไปเทศวิยาลัยครูดงดูตั้งอยู่ที่ตรงนั้นก็เรียกว่าดงดูต่อไปมีห้องสมุดชาใหม่เดินกับไปในห้องสมุดมีหนังสือไม่ถึงร้อยเล่มือไม่มีหนังสือภาษาลาวมันไม่ค่อยมีเพิ่มเรื่อต่้งเลื้อต่างตัว แล้วก็ทะเลาะบม้แวง้งแย้งกันเป็นใหญ่รบราคาฟันกันไม่รู้จักจบไม่ได้สร้างอะไรหนังสือก็ไม่มีมีหนังสือไทยก็ไปอยู่ด้วยบ้างแต่นในใจว่าควรจะเรียนภาษาไทยด้วยจะได้อ่านหนังสือไทยได้เราเมางไทยก็ควรเรียนภาษาลาว เพื่ออ่านหนังสือเราอ่านไม่ยากเรียนสามชั่วโมงก็อ่านได้เพราะไม่ยากเลยเกาเรียนักศักษ์ไทยก็อ่านภาษาไทยได้เพราะรมพูดเหมือนกันจะได้เชื่อมสัมพันธ์เป็นพี่น้องกลชิดกันมาวันก่อนนี้มีนักศึกษาลราห้าคุณ มาเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยกเกษตรเรามาสัมภาษณ์หลวงพ่อมอกดีใจที่ได้เห็นพวกคุณมาเรียนต่อที่ประเทศไทยเพราะไทยกับลาวนั้นบ่ใช่อื่นไกลเป็นพี่น้องกันควรจะสัมพันธ์กันในใกล้แต่สมัยหนึ่งการังเสดมาหยิกใต้หายตีกัน ไอ้ทะเลกะรับฝรั่งเศสทำให้แตกแยกโบสถ์พระแก้วที่เวียงจันยอยู่แต่พระแก้วไม่มีฝรั่งเศสเขียนบอกว่าโบสถ์พระแก้วแต่องค์พระแก้วคนไทยลักออาไปไว่าบางโกกแม่เขียนมามันเขียนได้ล่ากันไทยกัดกันเล่นเรามาได้ลัก ในหลวงรั ก, การที่หนึ่งเมื่ อ, อยังเป็นแม่ทัพไปตีเวียงจันแตกก็ปไปไหว้พระในโบทประแก้วแล้วแหละไปไหว้แล้วทก่กนก็ได้แม้ที่มปนของกูดีว่าเลยให้ทหารยกใส่หลังจานกลับเมืองก็คือเอาของเรากลับมาความจริงพระแก้วล่ะมาอยู่พบที่เชียงราย สร้างที่ไหนยังสันนิษฐานกันอยู่แต่น่าจะเป็นช่างฝีมอือที่เชียงรายนั่นเีงเพราะเจียงรายแกสลักหินสีเกี่ยวยกมัก็แกะได้สวยทำได้ดีเืบมต่อกันก็ประแก้วเนี่ยก็สร้างแล้วเขาไม่เอาไว้ข้างหน่อไปไว้ในเจดีย์เอาขี้ชันพออเสียด้วย คืนวันหนึ่งพายุฝนฟ้ากะนองเปรี้ยงต้างปุ่มปุ่มยืดิพังเลยโดนกระพาะตันากรประดมพังเพราะฝนตกควาร้องร้านใหญ่พังชาวบ้านก็ไปเก็บข้าวของที่กระจายออกมาคนสมัยนั้นเขายัางกลัวบาท แล้เขารบศีลเขาไม่เอาสมัยนี้ไปเก็บก็ใส่กระเป๋ากลับป้านเอาไปจำนำนะแต่เขาไม่เขาไปรวมไวายที่วัดในวัดตถุนั้นก็มีพระองยยค์ใหญ่คือพระแก้วนี่แหละแต่ไม่รู้ว่าเป็นแก้วรบตอนที่ัำพ่อนาก็เห็นว่าเป็นพระพุทธรู ป, ประยกมาไว้ในวิหาร อุณหภูมิมันเปลี่ยนแปลงที่ปลายจมูกกระเทาะก่อนพอจุดไฟในโบส์ก็แบบปั๊บแบบแสงมันกระท้อน ท, ที่จมูกเลยคนก็วหวไปทำไมหูดังของพระเจ้าจึงไว็บปั๊บปบ บ, บ, บจมูกเขาเรียกว่าดัง่งหูดังคือจมูกทำไมจึงแวววา่าแว็บปั๊บสงสัย ยกลมาคูดเลยโกรดก็พบว่าเป็นมรกรหาค่าไม่ได้ก็ไม่รู้จะตีราคาได้วยเงินตราสักเท่าไหร่ก็เก็บไ้ที่วัดประแก้วนะวัดนั้นก็ชื่อวัดพ ร, ระแก้วอยู่จนบัด น, นี้แต่นี้พระเจ้าติโลกกันราชติีลูกกันราชชื่อสายพระเจ้าอย่างไร ฉันหลานอยากได้พระแก้วไปไหว้เชียงใหม่แต่บางเชียงใหม่ไม่มีบุญวาสนาที่จะได้พระแก้วพระแก้วเอาขึ้นจ้างบันทุกไปเดินไปในป่าจ้างมันไปลำพังกว่ารู้ว่าไม่ใช่เพียงสับขอให้ช้างไปนี้ไปไ ป, ไปไปลำไปหลายครั้งหลายหน พระเจ้าเป็นบอกว่าโอ้พระเจ้าท่านไม่อยากไปเชียงใหม่ไปลํำปางก็ไปลําปางเลยเอาไปไหว้วัดที่ลำปางเรียกว่าวัดพระเก้วอยู่ทางที่ออกไปทางประตูม้า่านวัดสุชาดาแล้วก็ถึงวัดพระเก้วเดี๋ยวเรียวัดยังอยู่ แล้วก็เลยไปหน่อยก็วัดเจดีสาวอยู่ในทุกสบายเอาเอาไปไห ว, ว้ที่นั่นไหว้ที่นั่นตั้งร้อยกว่าปีต่อมาเจ้าชายชัยเชิดตาโอรสเจ้าโพธิสารหลวงประบางมาแอลลำปางไปเจอเจ้าสาว ลูกพระเจ้าลําปางข้าวติดอกติดใจเลยมาขอมัน่นแต่งงานกันแต่งงานแล้วก็อยู่กับพอ่อตาเพราะกลับไปหลวงพระบางก็ไม่มีงานอะไรจะทำพ่อยังอยู่ก็เลยอยู่นะช่วยเหลือพอ่อตาไปทำแล้วต่อมาพระเจ้าโพธิสารสวรรคต พระเจ้าใจเชตตาก็ต้องกลับไปครองราชสมบัติหลวงพระบางแต่เจ้าชายใจเชิดตาวางแผนในใจว่าหลวงพระบางมันเล็กนิดเดียวเมืองนิดเดียวมีผู้เขาตัางเมืองติดกับแม่น้ำขุ่งเดินสิบนาทีก็หมดเมืองแล้วตลาดนิดเดียว ทั้งเมืองมีรถสองคันรถเจ้าหวาชีวิตกันหนึ่งของพระสังฆราชกันหนึ่งรถกันนี้กันใดกันหนึ่งออกคนก็หมอป่ะกาเป็นแ้วใครจะอยู่ในรถก็ตามใจแต่เห็นรถตัวกราบกันังันเก่ารบก่อนนะ้อมที่มีความสุภาพมากคนรวมพระมางเทียบรอย แต่เนก็เจ้าใจเจตตาบอกมันไม่ไหวเมืองหลวงนิดเดียวต้องย้ายมาอยู่เวียงจันทร์มันกว้างหน่อยก็เลยเข้าไปลูกแขงลูกขาพ่อตาขอเอารกระแก้วไปเป็นมงคลในการสร้างบ้านแปลงเมืองสร้างบ้านแปลงเมืองเสร็จก็เอามาถวา ย, ยมันจะเสร็จเมือ่อไรเบ้างกรุงเทพ ย, ยังไม่เสร็จสักที สองรอยปีล้วก็ยังไม่เสร็จก็พระแก้วก็เลยอยู่นะสร้างวิหารไนดะ้อยู่ที่เวียงจันทรียบร้อยทำเฉยพอตาเขาไม่ประทุ ก, <c oughs> ก็เลยอยู่นะอยู่ๆมาลการที่หนึ่งไปปราบกบเวียงจันชนะก็ไปไหว้พระไปไหว้พระแก้วล ให้รียกาองกูดีวาเลยสั่งทหารแบกขึ้นช่างพ่ามาจะอาาว่ายกรุงเทพวายมาก่ตั้งแต่กรุงเทพยังไม่ได้สร้างมาสมัยกรุงธนไม่นเวลานานแล้วอยู่นานเอง แต่ฝรั่งเศสมันบอกว่าคนใจลักลระเทียวไปไหว้กรุงเไไทพมันตัดตอนพูดให้ให้เกียดจังครับเพื่อให้เราเดินกระบวนการแลกเทยวกับมัง่งจะเดินกระบวนก็จะไปบอกชาวลำปางเกียงรายเดินกระบวนมัง่งบอกมันกองกูไม่ใช่กองหล้าไม่ใช่กองไอ้น้องหล้าเป็นไง ก็เลยมาอยู่บมืองไทยเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักสวยงามมากมีค่าสมัยสงคารามเนี่ยก็เอาไปไหว้ในเอาไปไหว้ที่เพชรบูนเอาไปไหว้ในร้ำปิดนาบปากถ้ำฐานสองกองร้อยเฝ้าอยู่ที่นั่นทรัพย์สมบัติของราชการทองคำทนสำรอง เป็ดเนินจินดาพระแก้วที่มีเอาไว้ด้วยนะทำองค์ปลอมวางไว้เราไปไหว้ก็นเลว่าองค์จริงนะเพราะไม่เห็นความจริงองค์ปลอมเสร็จสงครามแล้วจึงกลับมาปฏิสถานตั้งนึ่ตรวตัวญี่ปุ่นมันจะเอาไปหรือตัวฝรั่งจะเอาไปเพระฝรั่งมันเอาได้ยก นารายบางทุมสินที่จังหวัดบุริรัมมันยังเอาไปทั้งแท่งเลยว่าจะได้กลับเดียวพูดกันจนเมื่อยไากได้กลับเป็นอย่างนั้นของมีข้าสิ่งเหล่านี้เป็นวัตถุในศาสนาเราก็หวงแหนมากเราบางใจเรามีพระสวยงามมาก พระเฉียงแสนพระสุโขทยัยสวยงามตั้งคนอยากได้ฝรั่งมังค่าอยากได้คนไทยก็เก่งเหมือนกันนายอยากได้ให้เท่าไรมันก็ไปลักันต่ายอยยกไม้ไหวตัดคอเลยตัดเอาแต่ระเียนไปขายฝ ร, รั่ง บ้านกว่หลังที่ร่ำรวยเขามีรวบรวมวัตถุจักมาไต่แสดงไว้ในตู้มากมายกวหลังคนหนึ่งอยู่ที่แมรี่แลนด์ชื่อนายอะไรแกมาเมืองไต้ทุกปีหน้าหนาวที่โดนหนานมาเที่ยวดูเก็บของเก่าๆไปไว้เต็มบ้านเป็นพิธีพิธภัณฑ์ใหญ่โตเลย นายนายเอบีคริสวลดจื่อนายคริสวลดอยู่ที่แมรี่แลนด์ของมากเอาจากเมืองไทยทั้งนั้นแกมาที่จังหวัดน่านที่วัดช้างคำมีเจดีมีพระพุทธรูปจืนทติฐานเจดีแกบอกว่านี่ไม่ใจปูนนะ คนเท้าแหววเฮ้ยไปอยู่อย่างนี้ตั้งแต่ฉันเกิดมาตัวน้อยๆก็อยู่อย่างนี้คนปู่ก็บอกก็อยู่อย่างนี้แหละคือถือ<บ>ว่าเป็นพระปูนนั่นแหละแกบอกว่าเอาตาปูมาสักตัวดิฉันจะพิสูจน์ได้เห็นว่าพระอะไรก็เอาตาปูแต่เมอคนตอกกับกระดันกึ๊บไม่ใช่ปูนแล้วะ ข้างในมันเป็นสำริ์และบอกว่าข้างในเป็นสำริท่าสมพานก็เอาช่างมาสักแกะสำริ์ออกสวยราง <Yes. S 1> เวอร์ชประพัดสวยสมัยชุโไทยเลยเอาไปไหว้บนกุฏิวางไว้บนกุฏิ คุณโยมสง่าวรรณดิตเนี่ยแกไปเที่ยวเมืองเนี่ไปโอ้ท่านราลานาองค์มี้ตับไปขายในตลาดห้าแสนสบายท่านวางว่าอย่างนี้ได้เนี่ยกางค่ากลางคืนกลนขึ้นมาท่านหลับมันก็ยกใส่รถไปเท่านั้นเองตกใจจำลูกตรงกันกลางล่างนี่ก็มีลูกตรงเจาะไม่ได้ลูกตรง ก็หลอกหลอกชุบกลางเลยกลางหลังพ่อไว้พอก็มยเดี๋ยวนี้ยังอยู่เพราะว่าใส่คุณแจแข็งแรงแล้วก็สมภานก็นอนอยู่ตรงนั้นแหละใครจะมาเอาปลาก็ทุบศีรษะสมภานก่อนนะแต่มันมันแมวมันลำบากเอายากก็อยู่ถ้าว่าเอาให้ง่ายมันเอาหมดนะ ที่วัดหนองวัที่อำเภอศรีสำมรงจังหวัดสุโขทัยสวยก็เรียกว่าสองพี่น้องสององค์สวยงามอยู่ในบัวบูดอยู่ใกล้กุฏิกำบัวมันตอดเปิดประตูเจาะประตูเข้าไปยกไปมดเลยสองไม่ใดเรือกว่าอยู่ที่ไหนยกหอไปก็ไม่รู้ จนบัดนี้ก็ายังเอาคืนไว้ได้ต้องรอองค์ใหม่ไปวางไว้แท น, นกบน ม, มันลงทุนว่ารังหรือว่าคนในกรุงเทพเนพวกเท่าแก่ใหม่ๆนะอยากม้ากค่ะเอาไปไว้ประดับห้องพระเลยให้คนลักมาให้เป็นอย่างนั้นคนมันมันติดแต่วัตถุไม่รู้ว่าพระอยู่ที่ไหน แล้วก็ไม่ได้เรื่องเอามาไหว้ก็ไม่ค่อยไหว้โบชาเลยไหวอวดนานๆก็เอาพระกวดพระกันที น, นก็ร้องพ่อก็ไม่ว่าเลยเอาไปตั้งประกวดเรารีบบินผูกชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามไอ้พวกเห็นแล้วก็บ้านไหนยามีพระองค์นี้มันก็จ้างขงโมยไปลักกี้แค่ ลักของเขามาแล้วก็ถูกลักต่อไปขโมยขมายกันต่อไปหลวงพ่อกไปตามที่ขโมยออกไปผลสุดออกนอกประเทศสมัยทหารอเมริกันมาอยู่ออกมากปกติก็แม่ออกต้องไปขออนุญาตศิลปากรมีใบอนุญาตเราหลออพระสมัยใหม่จะเอาไปประเทศอังกฤษต้องไปขออนุญาต เขาจำาบอนุญาตผูกคอให้ขนส่งไปได้แต่พวกนี้มันไม่ขออนุญาตมันเอาไปได้มันเอาไปในฐานะเป็นเครื่องใช้ของทหารไม่มีการตรวจคุณเพราะนั้นนลยนาลายบางสมศิลป์ผ่อนใหญ่บริวารมันเอาไปได้ใช้เครื่องมือทหารยกลงมาไม่แตกไม่หัก มันจุกตรองเรียบร้อยมันเอาไปเจ้านาทีุนคารกรก็นั่งไม่รู้เรื่องเอาไปเลยเสืรไปเสืบมานน่นไปอยู่ที่กากูไปเห็นกันเขาขอคืนเขาก็ให้คืนมาแต่ยังพูดกันว่า อ, องค์ิ้งคงไม่ได้มาที่บอกก้อ ม, มาต เ, าเอไปพิสูจน์ว่าหิน น, ะนั้นหินหรือเปล่าปูนหรหิน ก็จริงนะเขาไม่ได้ทำออกมาได้ก็ไ ด, ได้มาแต่ดา้านบัตถุสิ่งที่คนลักไม่ได้คือคุณธรรมความงามความดีของพระพุทธเจ้าลักไม่ได้เราควรจะได้สร้างสิ่งที่เป็นความงามความดีน่้นไว้ในใจของเราไม่ใช่สร้างแต่พระข้างนอก ไม่ใช่มีพระห้อยคอแล้วนึกว่าฉันมีพระพวกไม่พระห้อยคอไปนั่งกินเหล้ายกแก้วข่าหัวหลวงพ่อไม่เกรงใจเลยไปเที่ยวกลางคืนเที่ยวบาร์เที่ยวได้กลับบางทีก็ได้โรคเอิด ก, กลับมาหลวงพ่อไม่ช่วยเราไม่ได้ออกไม่รู้จักหลวงพ่อ กุ๊กติดตารางก็เอาพระห้อยคอเข้าไปด้วยจนจะช่วยได้อย่างไงไม่ได้รู้ว่าเลือดแท้ของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมคือความงามความดีที่พระองค์สอนให้เราศึกษาเราปฏิบัตินะั่นแหละคือพระแท้ที่อยู่กับเราอยู่ในใจของเราช่วยเราได้รพระผู้พระพุทธธรรมยอมได้รับความคุ้มครองากพระธรรม ตัมโมฮาเวรกติธรรมจาริธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมลาพังแต่มีพระพุทธรูปยังช่วยไม่ได้แต่ว่าเราต้องถ่ายทอดเอาคุณงามความดีจากพระพุทธรูปมาใส่ไว้ในใจของเราเอาพระพุณที่เราได้สวดได้ร้องอยู่นี่แหละเอามาใส่ไว้ในใจ เอาพระกรุณาไปใส่ไว้ในใจเอาพระปัญญาไปใส่ไว้ในใจเอาพระบริสุทธิ์ไปใส่ไว้ในใจรักษาไว้ในใจไปไหนออกไปด้วย น, นั่นแหละปลอดภัยพรรักษาเราก็เรารักษาพระศีล ร, รักษาเราก็เรารักษาศีลอย่างนี้จึงจะถูกต้องขอให้เข้าใจอย่างนี้ พูดมาก็สมควรแก่เวลาขอยุติไห้แต่เพียงเท่านี้ขออวยพรให้ญาติโยมได้มีพระพุทธประธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจของท่านจงทั่วกันทุกท่านทุกคนเถิดเอาตอนนี้ไปก็นั่งสงกใจ สร้างพระสงบใจคือสร้างพระเป็นเวลาห้านาทีาเริ่มได้สำรองเก็แปรเมตตาสเทสต า, สเสตาอเวราอภัยปัชชาอนนคา สุขขีอตานังปริหะรันตูสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายเพื่อกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย